ข้อต่อไปอีกบอกว่าพื้นใต้ฝ่าพระบาทหรือว่าฝ่าพระบาทฝ่าเท้าของพระองค์เนี่ยนะมีจักเกิดขึ้นซีนะมีซี่กรรมข้างข้างละพันซี่กรามก็คือตัวซี่ไปหามีมีอะไรบ้างมีกงคือรอบนอกมีดุมคือแกนกลางเนี่ยนะแล้วก็มีซี่ซี่ระหว่างกงกับดุมเนี่ยจะมีซี่อยู่พันซี่บาลีบอกว่าณนะพื้นพระบาทเนี่ยนะมีจักทั้งสองเกิดขึ้น มาจะาฝ่าเท้าข้างและจักรนี่นะจากเหล่านั้นมีซี่มีกงมีดุมดเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอาการทุกประการได้ยินว่าดุมของจักรเหล่านั้นปรากฏณนทะ่ามกลางพื้นพระบาทเรียกว่าเอาตรงกลางเลยนะวัดเส้นองศาถ้าตรงกลางพระบาทนั้นอาจจะเป็นดุมดุมก็คือแกนกลางแล้วก็ลวดลายวงกลมกำหนดด้วยดุมย่อมปรากฏเรียกว่าดูกลมเหมือนกับเป็นดุมเกวียนเลยเหมือนั้น วงกลมล้อมหน้าดุมก็ปรากฏท่อน้าปรากฏซี่ปรากฏลวดลายวงกลมในซี่ทั้งหลายก็ปรากฏกรงก็ปรากฏกรงแก้วมณีก็ปรากฏคือเรื่อว่าลวดลายเนี่ยนะรายละเอียดที่ไม่ได้กล่าวในบาลีก็มีเพิ่มอีกนะนะก็คือเรื่อว่ามงคลมงคลร้อยแในฝาพระบาทเช่นอ่นะในในพื้นพระบาทจริงๆเนี่ยมีเป็นตาราง เนี่ยนะเป็นเหมือนกับตะข่ายเป็นตารางเนี่ยนะเป็นตารางเหมือนกับกระดานหมากรุกเนี่ยหมากฮอเนี่ยนะเป็นเหมือนกระดานแบบนั้นในในในตารางเหล่านั้นก็มีอะไรบ้างมีรูปหอกรูปเว่นสองพระฉายรูปดอกพุทธซ้อนรูปสายสร้อยรูปสังวานรูปทาทองรูปมัชชาคู่คือปลาคู่รูปต่างรูปขอรูปปราศาตรรูปเสาระเนียรรูปเวตฉัตรรูปประขันรูปพัดใบตาลรูปหางนกยูง รูปพัดวาลวิชณีรูปมงกุฎรูปแก้วมณีรูปบาตรรูปดอกควงมะลิรูปดอกบัวขาบรูปดอกบัวแดงบัวขาดอกปทุมดอกบุญทริตรู้แม้กระทั่งรูปหม้อน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำรูปถาดเต็มไปด้วยน้ำรูปมหาสมุทรรูปเขาจักรวาลรูปป่าหิมะพัน์เขาสีเนรูรูปพระจันทร์พระอาทิติรูปดาวนกษัตว์รูปทวีปใหญ่ทั้งสี่มีทวีปน้อยเป็นบริวารทั้งสองพันเนี่ย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 ฝ่าพระบาทที่รองรับสําหรับผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปส่วนมหาปริศลักษณะข้อที่สก็คือพระองค์นี้มีส้นพระบาทเนี่ยยาวส้นพระบาทนี่ยาวส้นพระบาทยาวก็คือส้นเท้ายาวว่างั้นเถอะส้นพระบาทแปลว่าส้นพระบาทของพระองค์นั้นบริบูรณ์ส้นพระบาทของพระมหาบุรุษนี้ไม่เป็นเหมือนปลายเท้าของคนอื่นที่ยาว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 ส้นพระบาทของพระองค์เนี่ยจึงยาวแล้วก็เหมาะสมงดงามนั่นเองสแสดงว่าการทํานายพระมหาปริศลลักษณะของพระมหาบุรุษเนี่ยดูจากเท้าขึ้น น, นะค่อยๆไล่จากฝ่าเท้าก่อนแล้ว่าพื้นเท้าเนี่ยถ้านอนอยืนก็ยืนเสมอกันหมายความว่าถ้านอนด้วยแล้วฝ่าเท้าเนี่ยยื่นออกไปเนี่ยเสมอกันฝ่าพระบาทก็มีกงจักแล้วก็ตําแหน่งของส้นเท้าเนี่ยนะ ต, ตัวส้นเท้าเนี่ยก็ยาวตั้งอยู่ตรงกลางพอดีทีนี้นิ้วเท้าแลหละองคุรีนะนิ้วเท้าทั้งหลายหรือว่าองคุรีเนี่ยนิ้วเท้านิ้วอ Mother, น่นิ้วมือนิ้วเท้ water, าเนี่ยหรือนิ้วพระหัสนิ้วพระบาทของพระมหาบุรุษนั้นไม่เป็นเหมือนนิ้วของคนอื่นนิ้วของคนอื่นทั่วไปเนี่ยนะบางนิ้วเนี่ยยาวบางนิ้วนี่สั้นแต่ของพระมหาบุรุษ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 นิ้วแต่และนิ้วก็งามแล้วก็ยาวนิ้วพระหัต์ก็ยาวนิ้วพระบาทก็งามข้อห้าพระองค์นี้มีฝ่าพระหัต์และฝ่าพระบาทนี้อ่อนนุม่มโมทุตัลุณะหัตถปาโตความว่ามีพระหัตต์นะนะเรียก ว, ว่าเป็นมือมือมีเท้านี่อ่อนนุม่มเหมือนอะไรเหมือนปุ๋ยฝ้ายที่ยีตั้งร้อยครั้งนนะหมายความว่ามันอ่อนนุ่มมากเหมือนสำลีว่างนะั้นแตเป็นสำลีเป็นร้อยชั้นที่ยีอย่างดี แล้วก็รวมตั้งไว้ในเนยใสเหมือนกับว่าเป็นสมลีที่ชั้นชั้นชั้นช้น้ น, น, นเนี่ยนะบางบงเนี่ยร้อยชั้นแล้วก็ใสเนยใสพนันก็ยุบลงก็นิ่มนวลเพราะในเวลาพระชนพระองค์เนี่ยพระชนอายุเจริญอายุมากขึ้นมากขึ้นก็ตามพระหัตถและพระบาทก็อ่อนนุ่มเหมือนเมื่อประสูติตอนที่ประสูตินิ้วมือนิ้วเท้าอ่อนนุ่มฉันใดพระองค์เนี่ยมีพระชนอายุมากขึ้นมากขึ้น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 เพราะผู้ที่มีนิ้วนิ้วมือนิ้วท้าปื้นอย่างนั้นเขาก็บวชไม่ได้อยู่แล้วพระมหาบุรุษนั้นมีนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วพระบาทพระบาทเนี่ยทั้งห้าเนี่ยชิดกันคือก็เลยช่องว่างระหว่างนิ้วเนี่ยมันจะมีอยู่สี่นะทั้งสี่นั้นก็งดงามแล้วก็นิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยก็ถ้าหากว่าเอามาติดกันก็จะติดกันอย่างสวยงามมากแต่ก็มีช่องทั้งสี่ช่องเนี่ยนะอย่างงดงาม บอกว่านิ้วของพระองค์เนี่ยนะที่ที่มีลายตาข่ายเนี่ยเช่นกับหน้าต่างตาข่ายอันช่างผู้ฉลาดประกอบไว้ดีแล้วมันฝ่าพระหัตถ์ฝ่าพระบาทของพระองค์นี้จึงมีลายดุดตา ข, าข่ายส่วนข้อต่อไปอีกข้อ7เนี่ยนะพระองค์นี้มีพระบาทเหมือนสังข์คว่ำพระบาทเหมือนสังข์ค่หมายคว่า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 ข้อเท้าเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ดีเนี่ยมันมันไม่สมสองไม่สมส่วนเพราะนั้นรอยเท้าก็ไม่สวยาการเดินก็ไม่สะดวกเนี่ยนะเดินก็ไม่สะดวกเพราะเดินก็ปวดก็เมื่อยไปหมดแต่ของพระโพ ธ, ธิสัตว์มไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้อพระบาทของพระมหาบรุษนั้นตั้งขึ้นเบื้องบนฉะนั้นพระกายท่อนบนของพระมหาบุรุษตั้งแต่นาพีนตั้งแต่ท้องเนี่ยนะตั้งแต่ตั้งแต่สะดือขึ้นไปเนี่ย เวลาที่พระองค์พุทธดําเนินหรือเดินไปโดยปกติเนี่ยไม่มีการสั่นเลยเหมือนอไรเหมือนเรื อ, เ, อเหมือนพระพุทธรูปทองคำเนี่ยที่ตั้งอยู่บนเรือไม่มีการสั่นสะเทือนนะความอ่อนนุ่มเนี่ยเดินนะไม่สั่นสะเทือนแต่ว่าพระกายท่อนล่างเนี่ยไหวก็ไหวปกติเนี่ยนะแล้วก็ตัวพระบาทของพระโพธิสัตว์ก็กลับกรอบไปมาได้อย่างสะดวกเพราะะฉนั้นก็สามารถที่คนทั้งหลายก็สามารถที่จะมองเห็นได้ถนัด ต่อไปแข้งนะนะไล่ตั้งแต่ฝ่าเท้าพื้นเท้าลักษณะนิ้วมือนิ้วเท้าก็มาหาแข้งพระชงเนี่ยนะรีแล้วก็เรียวดุดเนื้อแข้งเออดุดแข้งเนื้อสายเนี่ยนะไม่ใช่เหมือนนักมวยปล้ำนะแบบแข้งเนื้อสายก็คือประกาศถึงความงดงามเอนิชังโคเนี่ยนะมีพระชงเรียวดุดเนื้อสายอธิบายว่ามีพระชงเนี่ยบริบูรณ์ด้วยหุ้มพระมังสะเต็ม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 หมายความว่ายืนตรงๆเนี่ยนะไม่ต้องก้มตัวลงเนี่ยสามารถเอาฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองเนี่ยลูบคลําได้ถึงพระชานุหมายคว่ายืนยืนอยู่ตรงๆเนี่ยมือลูบเข่าได้เลยบทว่าอโนอโนนันโตก็คือไม่น้อมลงเนี่ยนะอันนี้ประกาศถึงความที่พระมหาบุรุษเนี่ยไม่ค่อมไม่ใช่เป็นคนค่อมแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนแคร์ด้วยไม่ใช่เตี้ยแคร์หมายความว่า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 อ, องค์ชาติของพระองค์นั้นอยู่ในฝกักเหมือนกับโคหรือเหมือนกับช้างเป็นต้นนั่นเองสวนสิบเอ็ดนี่ยนะพระองค์มีผิวพันดุดสีหรือผิวแห่งทองคำแปลว่ามีหนังคือตาจะคือตะโจเนี่ยหนังประดุดหุ้มด้วยทองเหมือนกับว่าเอาทองแผ่นเนี่ยนะมาปิดด้วยความงดงามบทว่าสวรรณวันโ น, โนมีสีเป็นสีทองคำความว่า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 แล้วต่อไปเนี่ยนะไม่ใช่สีทองเฉยเฉแล้วก็หยาบกระด้างไม่ใช่แต่พระองค์มีพระชวีนีคือผิวที่ละเอียดเพราะความที่ผิวของพระองค์ละเอียดเนี่ยนะฝุ่นทัลลีละอองจึงไม่ได้ติดอยู่ในพระกายได้ข้อ12ว่าอย่างนั้นเพราะะพวกฝุ่นละอีทุลองฝุ่นทุทลีละอองความเศร้ามองเตือนต้นเนี่ยไม่มาแปดเปื้อนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะถึงมาโดนร่างกายของพระองค์ก็กลิ้งตกลงไปเหมือนกับ น้ำที่ตกไปจากใบบัวก็พระพุทธเจ้าทั้งปวงเนี่ยนะาถามว่าอ้าวถ้ า, างั้นทําไมพระองค์ต้องแปลงฟันด้วยล่ะนะมันเรียกว่าเคียวไม้สีฟันทําไมต้องแปลงฟันทําไมต้องส่งน้ําทําไมต้องล้างพระบาทก็บอกว่าที่พระองค์ทําอย่างนั้นเพื่อให้ร่างกายได้รับอุณหภูมิเนี่ยนะอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เรียกว่าอุตโตหรือฤดูหมายความว่าให้ได้สัมผัสร้อนสัมผัสหนาวสัมผัสเย็นได้รับอุณหภูมิ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 หรือผู้ที่เป็นทายกผู้ที่ทำบุญจะได้รับผลบุญด้วยเะนั้นพระองค์จึงชําระพระบาทแล้วก็เข้ า, านะเข้าเสนาสนะเป็นต้น